สิ่งิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมก่อเกินนาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอักเสียงธรรมก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสเนี่ยทําสืบเนเื่องกันอยู่โดยลําดับแล้ว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 ทุกๆคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลายหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับ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 เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายหลายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่ที่จิบแจ๊บๆทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสําคัญเพรามันไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสําคัญเพราะตัวเราไม่มีความสําคัญหาความทดสอบตนได้ยาก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 การแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาธรามันมีอันนี้ก็แก้ไม่ได้ทป็นหลักทางด้านจิตใจเราจะเอาเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็น ก, อ ง, งนกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยสปหรับทุกทางใจแต่ธรรมานี้สามารถที่จะแก้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 ทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดินแม้งั้นลําทางเรานั้นก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความจเจริญด้วยกันแต่ไปโดนนวดตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุอะไรก็เพราะเดินไม่ถูกนะีศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งคำว่าศาสนาก็ได้แก่คำตั้งสอน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 ธรรมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นรูยเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปนแผ่นถังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นไฟเหตใหุให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นีน่ผลก็คือธรรมผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรา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 อะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเส่นสายเช่นธรรมเป็นเครื่องบอกพร่องภาย ใ, ใจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพ ร, ร่องอยู่เส ม, มอทั้งทั้ ง, ท, งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผลขวัญสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตตาภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นประจัก ในจิตใจของตนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับกจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตถ้าจะเกิดในสถานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติให้ดีความเพนศีลธรรมให้มีขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเพื่อใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลัก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 คิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิย่งกว่าใจแต่เมื่อได้อาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีทำบริกรรมแห่งทำกำไรคำหนึ่งเช่นพุทโธหรืออนาปานาสติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับทำบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแหละจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเอง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 คือย้อนต่อสู้กันบ้างวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปะนะก็ครั้งหน้าก็จะมีเวลา้วมีเวลาจริงๆเหรออนะถามที่ของลองบูเวลาตายทาไมมีเวลานา น, านมันได้เวลามาจากไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็จะดุใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทำไง เนี่ยยังมีให้ข้ามากุศลาทำมากุศลาทำมาเอาเงินไปกินเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุศลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นอยู่ความเป็นไปของจิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาให้กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพราะว่าทีเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วในมนภาพกุศลาทำมา ยกันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะจนหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลำบากทําใหม่เช่นอย่างหลวงตาบว น, นี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาเวลาลําบากลําบนเหนือเกินตายแล้วก็คือบวชพระหวดตามไว้สักองค์นึงพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์นิพพานซะให้หมดครตายกับกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกันซะหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้า กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วแต่ทำยังไงมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมาปีกัมพีพระไตรปิฎกมาสวดคำนั้นก็เท่านั้นเนี่ยพาสวดเอกจากต่างที่ต่างหามันจะไปตำราที่เลียดศาสนาว่าความชั่วของคนผู้ น, นั้นนั้นได้อย่างไรฮะทำขั้นกราบที่เลีดของของผู้บาําเพ็ญธรรมต่างการทําบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่ามัเป็นบุญไม่เป็นกุศล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 ความฉลาดในกาใจเราทุกวันนี้มีแต่ชีเล็ทพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะฉย่านจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลําบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจภายในจิตใจนี่ชื่อว่าความฉลาดในธรรมนาบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลธรรมมาพาอยู่พาไปอจริงๆการเรียนให้ทำคัมภีร์โบรานั้นไม่ได้ปฏิเสธ เรียนเท่าไหร่ประเรียนเถอะถ้าไม่สร้างพายใจิตใจขึ้น่นมีความเฉลเียวฉนาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกัมพี์ไปห้าครับร้อยคำพีมันก็เป็นแต่คมพีนะแต่กิเลสก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแตกนะครูญาท่านสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเข็มพิษทางเดินท่านสอนให้เข้ามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัาหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนั่นแล้วก็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 คนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยธรร ม, มาจาจะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งอย่างนี้ให้มันหมดไปหมดไปแล้วความสุขไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองออช่างที่ตรงนี้อยาให้ถึงได้ลําเวลาเอาเขาเข้ า, าลงแล้วเข้าลงปกปกรับศีลนะพ่อนระับศีลนแม่นะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัตถะธรรมจะเอาศีลมาจากไหน จะรู้สิน <todo> ร ja. ู้ธรรมยังไงถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้สิลรู้ธรรมภายในจิตใจจะตั้งแต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้เป็นเมตติกําลังตนตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ลหนก็อยู่เธอคนเราธรรมะพระเจ้าไม่จช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอดคนไปนู่นไั่ไปนี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทําลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองสถานะธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่ว่าเจ้าแต่จะรู้จนกระทั่งบัดนี้แล้วจะประกาศความจริงตลอดไป นอกจากจิตใจของเรามันปลอมหมดทั้งดูวงความจริงแทรกไม่ได้ท่านเรื่องความจำปลอมนั้นเข้ากันได้วันย่างค่ําความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆแต่ความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราลายไรเพราะหูมันสฉบกระโกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสฉบกระโตกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของโฉบกระโกแล้ววันย่างค่ำมันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแห่พันลิงมีเวลานี้จิตใจของเรามันเป็นยังไง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 เพีงจะมติคุกเรียบแก้ตั ว, ตตตวต เ, เสียตั้งแต่บัดนี้ยังไม่ตายเขาแก้เสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาดนี่ยท่านเป็มนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดเอาตัวรอดฉลาดกดเครื่องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลําดับลํำดับวับบนคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปล่วงไปสังขานทั้งการค่อยเสื่อมโทลงไปโดยลําดับมันจะเจริญไปที่ไหนมันจะเจริญไปถึ ง, ป, ถงปัจฉ า, าเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอะ่ะ เขาจะว่าบังหมามีว่าสีว่าสุกวาฉเฉเียวฉลาขนาดไหนก็ไมีแต่ความสําคัญมันหมาเอาเฉยเเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันยัางข้ามมันก็ทุกอยู่นั้นแหละไปพบไหนก็ไปเถอะเรื่องความจริงก็ต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นแหละหาความถูกไม่ได้ไอความเจ็ดสันปั้นยอดหรือความํคาคัญตนนี่มันหลอกเอาะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะักให้ดูจิตใจตัวที่แบกสุบแบกทุกอย่างเนี่ยส่วนหน้ากมันแบกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดเราฉลาดจริงไหมนะ ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดับําดับแล้วมันจะสบายหาย ห, ายห่วงไปแต่ถ้าตายไปเธอไม่ยากลาบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่เคียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกัวเันไปไหนกลัวไปไห น, หไไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งความตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตาม เ, าเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งเฮาเดินความตายก็เดินมันเดินไปด้วยตามเราพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วตายเนี่ยเการตายเป็ของคู่ ก, กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียอันไหนที่จะ เป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบกุทธศาสนากรอกองมหาสมบัติอยู่แตมไม่ได้อะไรเป็นสาระแก่ฉันอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนมุษย์เรา พ, พระพุดธเจ้าเป็นจอมปรชาชดฉลาดแหลมคมที่สุดแก้กิเลสจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราพูดที่จะรับข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านนั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้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 ควา ม, มรู้รึกๆคือสติอยู่กับงานนี้แล้วเปยสมัครเสมอแล้วความรู้สึกที่มันเคยคิดข้ามในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสุ่จุดนี้มีท่านที่ท่านเียก ว, ว่าจิตสงออกวิกฤตรวมหมายทั้งอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามาหนักการที่เราจะเห็นควาแมแกะภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนท่าที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าติตเป็นยังไงมีแต่รู้ เลยถือเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันฉลายไป ผ, ผู้รู้มันก็หมดปัญหามันสลายไปด้วยการเป็นลนักษณะอย่างนั้นคน ท, ท, ท, ที่ที่ที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วถูญมกกักจะคิดอย่างนี้เขาจับตัวตัวสาคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญมันไม่ไ้นั่นแหละคุนั้นน่ะคุณไม่สูญคุณมันว่ายนั้นแหะ แต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่ะสูงให้สูงเะยคับาท่านที่นี่ไม่สูงเหั น, นเวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าหาตัวจริงตามมันเข้าไปตางเข้าไปเพื่อทางถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดล้มไม่สนใจฟังพอความจริงก็รู้อยู่กับใจนี้แล้ว แต่เพียงว่าการเดินสมคลองนั้นเดินที่ปีใดที่จะถูกนะปียาขอยการเดินสนคลองก็เราก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกลูกเราให้ที่จิตทํางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกำหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ทูก ไม่อาการของการเดินนั่งจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมารรออรมาธ์เพชรด้วยนั่นเรื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเราเนี่ถ้านั่งกขาเพีย้ยวนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งพับท่านี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของตัวร่างกายกับพื้นมันก็ ไม่เสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาธิเนี่ยในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิ้เสียพลิ้เสียนี่เราไม่ทราบไม่เคยเห็นความต้องการต้องการนั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานเนี่มันมันลงเสมอกัารขณะที่กำหน พุทพุทโเนี่ยจำเป็นที่จะเล่า้าววหมายใจข้าออกก่อนราต้องการทรา้าบก็ได้ก็ได้ม่ขัดข้องไม่ไมัเนมเป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้าเวลาสมาธให้ขาพุทโธุทโอย่างเดียวเาเอาใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ต้องคำนึงถงลใจข้าออกจะไม่จะจะไม่สะดวกขอดาอันนี้เป็นตามามัธยายังจะของนะถ้าจะของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็ยึดนั่นไว้อันนี้มันป็นตามมัธยสาย